เื่อปฏิสันฐานพวกคณะครูทั้งหลายซึ่งไม่เหยียบหนะ้าวัดหลองประโคอาตจจมาใน้ฐานะที่เป็นประถานสงในวัดหลุลงประโคจึงขอปฏิสันฐานโดยธรรมะซึ่งเป็นแม่ข้างปฏิบัติ สองฝกสถาบันทั้งหลายาการอบรมวันนี้เรียกว่ า, าการอบรมธรรมะก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทุกๆคนหนักในธรรมะเป็นอย่างยิ่งธรรมะอันนี้เป็นรากงาว เข้ามูลลากฐานให้ประชาชนเราทั้งหลายนั้นอยู่เย็นเป็นสุขสือธรรมะถึงแม้ว่าพวกเราจะในฐานะเป็นครูก็าตามจะมีความรู้สูงสุดก็าตามแต่ว่ามันสูงไปคนละทางมันไม่สูงไปในทางกรรมะมันสูงไปในทางโลกีวิสัยมันสูงไปต่าง อยากธรรมะนี้ฉะนั่นหลักธรรมะนี้ควบเราชาวพุทธทุกคนควรอกรมให้มีธรรมะคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่จามีธรรมะมันก็เป็นไปได้ยากไม่เกิดป็นไปเข่าที่ควรธรรมะนี้เป็นอุบาสธรรมตกตกรรม สนับสนุนอันบุคลที่ทําที่ถูกต้องสิดคี่ถูกต้อง ท, ทําคี่ถูกต้องแล้วให้มีความสุขคนจะเดิญธรรมะมีกว้างใหญ่ยาวอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างที่มันเป็นธรรมะไม่มีสิ่งที่มองเห็นโดยตาได้ ย, ยินโดยหูการกระทัดอย่างซึ่งเป็นรูปหรือนามนี้เรียกว่าธรรมะตรงนั้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะต้องเป็นธรรมะสิ่งที่จะเป็นธรรมะไม่มีอาธรรมะในที่นี้จะหมายเอาข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเวลาอันสมควรกรรมะขึ้นลุมชนเราทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่ให้เหนียวแน่นเป็นตึกแผนแน่นหนานั้นก็คือธรรมะสี่ดีที่ถูกต้อง ไอาความรู้ที่มีมาที่ปราศจากธรรมะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์อาความรู้ที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยธรรมะให้มีธรรมะจึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์บมดบูรฉ์นั้นบรรดาจ่าส่วนเราทั้งหลายทุกท่านซึ่งเป็นคณะครูที่มารวมรนณาวันนี้จงตั้งใจฟัง ให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะธรามาใส่ใจให้น้อมใจเสหธรรมะเพราะหากว่าน้อมธรรมะมาใส่ใจมันจะไม่เป็นธรรมะเพราะใจเรายังไม่เคยเป็นธรรมะก็จะน้อมธรรมะธรามะสู่ใจของเราซึ่งไม่เป็นธรรมะนั้นอันนั้นมันก็จะถิกคลาดไปไม่สาเร็จะโยชาดฉะนั้นจึงน้อมใจเรามีไปสู่ธรรมะธรรมะนี่เป็น สภาวะที่ตรงไปตรงมาเป็นข้อประคฤตปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดประโยชน์ตนและให้เกิดประโยชน์พวกคนอื่นธรรมะทีตรงไปตรงมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะรรมาสู่ใจแค่น้อมธรรมะรรมาสู่ใจธรรมะนั่นก็มีราคาน้อย ใจเราจะมีราคามากอฉะนั้นใจเรามันมีราคาน้อยอยู่แล้วในส่วนธรรมะจึงน้อมใจเราไปสู่ธรรมะหลักธรรมะนี้ทําคนคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีความรู้ให้รู้ขึ้นมาที่ยังไม่มีความดีให้ดีขึ้นมา ยังมีความถูกต้องให้มีความถูกต้องเป็นมากับภาวะอันนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะของพระผู้มีพระภาคของเรามีอํานาจมากมเป็นธรรมปุตตชนคนให้เป็นอ ร, ริยชนได้ขอขอเพราะธรรมะดังนั้นเราควรวน้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะขององค์สมเด็จตั้งมาสมุทัยเจ้าของเรา คนในกลุ่มหนึ่งในสมาคมหนึ่งในกลุ่มหนึงนั้นต้องมีความยึดเหนียวแน่นในทางปฏิบัติการทำการงานที่ไม่เหียดร้อนให้มีความสงบสุขสบายในกลุ่มชนทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องอาศัยหน้าที่การงานทาตรงไปตรงมาต่อหน้าที่การงานเท่านั้น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 เป็นว่าเราเป็นครูเรามีหน้าที่สอนนักเรียนสอนคนเป็นต้นมันก็ตัวอย่างเดียรครับพุทธเจ้าของเราก็เป็นครูที่สอนคนพระบรร ม, มครูแต่ท่านว่าเป็นบรรมาครูเรานี้ก็ยังเป็นครูยังไม่เป็นบรรมาครูเพราะไม่หนักแน่นในธรรมะ ทำที่ลลว่าครูหรือคลโวครูเป็นผู้สอนเป็นแบบของคนเป็นตัวอย่างของคนถ้าเราทําคนคนเดียวเท่านั้นเน่เป็นตัวอย่างของคนแล้วมันก็สบายเช่นเวลาเราจะ ท, ทะําพระจักองค์จักพันองค์ด้วยหมื่นหนึ่งเราก็ทดดําแบบทีมของพระนั่นให้เรียบร้อยดีแ ล, แล้วเราก็นั่งทีมเอา เอาตีหมื่นทีแสนก็ได้มันพิมพ์เดียวกันมันก็ง่ายสำคัญหลักทิมของพระนี้มันไม่มีหรือมันไม่สวยไม่งดงามหรือไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นคำรูปของพราเสียไปจากความงามท่านนั้นเหมือนกันแค่นั้นหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักการ ง, งานของเราก็เป็นอันพอแล้ว เช่นว่าเราเป็นครูหน้าที่ของครูก็มีเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็มีตอนนี้ต่างคนต่างทาตามหน้าที่ของคนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเช่นว้าเราเป็นครูเป็นว่าเราเป็นคนที่กวด on, ัดถนนเป็นต้นล้วก็กวดัดของเราทุกวันทำ ง, งานนี้เพื่อบานกวัดทุกวันทุกวันใครเรินผ่านไปผ่านมาใครจะว่าอย่างนี้ก็ช่างมันเถอะ ถ้าแก่เน่ยทำอะไรขึ้นปวดถนนทุกวันทุกวันไม่ว่าใครก็ช่างเยอะหน้าที่ของเขาจะต้องว่าหน้าที่ของเราจะต้องปวดแต่ก็ปวดไปเรี่ยปวดปวดไปหลายวันหลายเดือนบางทีก็ไปทวงเจ้าของเขาเอเราทํางานมาหลายวันเนี่ยหลายเดือนเนยเงินเดือนมันขึ้นจดจีเลยถ้าเราไปยึดินนี้ไปทวงเจ้าของเพื่ออะไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเนี่ย ทวงทุกทีทุกเกิดมาทุกทีอทวงทุกทีความอยากเกิดทุกทีเขึ้นนั้นอันนี้คือบรรทันฉันนั้นเรามีความคิดเช่นนี้จะให้เป็นคนที่พอดแอต่ต่อการงานต่อการศึกษาเราเรียนต่อการหน้าที่การงานของเจ้าของได้เหมือนกันแต่นั้นพระบรมทรูตสอนว่านหน้าที่อันไหนที่เขาจะจัดให้เราจะต้องทําแล้วเราจะต้องทําหน้าที่การงานอันนั้นไปอ ไอ้ความดีอยู่ตรงไหนไอ้ความดีอยู่การกระทำนั่นแหละให้ยังไม่ให้เดาดีเราก็ดีไอ้ความดีไม่ต้องให้ใครให้หรอกเราก็ต้องดีทำดีอย่างไรความ ท, ที่ถูกอยู่เพราะว่าไม่ถูกก็ไม่ต้องเชื่อใครใหรอกไอ้คนอื่ไอ้ถูกไม่ให้เราไม่ได้เราทำถูกแล้วมันก็ถูกเมื่อเราทำถูกอยู่แล้วใครว่าผิดมันก็ถูกที่นั่นแหละ ฉะนั้นองค์สมเด็ดพจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากานเึงสอนมาทำดีก็ได้ดีทำชั่วกว็ได้ชั่วอันนี้มันเป็นของแน่นอนแต่ว่าในสมัยนี้ความอยากสมาธผมพับเลยภาคีนี้ก็ไม่ดีกันแล้วเข้าใจว่าบางทีทําทำดีก็ไม่ได้ดีคนทำชั่วก็ไม่ดีมันไปกันไในรูปอันนี้เพราะอันนั้นปัญหาคือความอยากนั่นมันมาปกเืีอน มันมากเกลี่อนหน้าที่การงานของเราให้เราเสไปจากการงานของเราเลยคิดผิดไปใช่แล้วยิ่งไปตามเฉียยกันหานั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นถ้าพูดใแง่ธรรมะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมันตรงไปอย่างนั้นขั้มดีก็เลยดีจริงๆให้พูดแง่ธรรมานะจะพูดแง่โลกของคนจะยกตัวอย่างง่ายๆขึ้นมาใช่อย่างครูอย่างครูที่มานี้เนี่ยนะ ยังครูในมาเนี่ยกับ เ, เด็กนักเรียนรู้เพื่อนกันนั่นจองสืกเกิดป่วยถึงมาก็หมดเงินหมดทองเป็นเพื่อนกันประว่าจะจะมาขอขออาศัยขอช่วยเจรานี้เงินทองผมจะหมดแล้วผมขอคู่เงินสักพันบาทเถอะ เวรานี ừ, er でで้มันเป็นทีคนะเราคนนี้สงสารกันก็ให้ไฟแล้ววันที่เท่านั้นผมจะเอามาให้อ่ะครับเขาเลยให้เงินไปพันบาทอะเอาตปรักษาเมื่อไปรักษาตัวจ้ะอืแล้ววันนั้นก็เอามาให้เรานะเราก็เป็นคนโจรเหมือนกันแ่ะเตะสงเคราะห์กันยังไงได้ให้เงินไฟไอ้คนเที่ยวเงินไฟเมื่อได้เงินใสมือแล้วกันดีแล้วนี่ว่าเราได้เงินขอเปล่าแล้ว ให้ใชาคำพว่าวันที่20 30จะเอามาให้นะั่นจะเป็นติโกงหกกล่องอะไรเงินไปแล้วก็แล้วตั้งใจอย่างนี้ก็ให้เงินไปเขาก็เอาเงินไปเ้วก็ให้ไปโดยเจตนาอันนี้ไม่ใช่ว่าเราให้ไปโดยเจตนาได้ายเราให้ซะแหละถึงวันที่20หรือ30นั่นมันโกงซะแหละคนนั้นแม่เอามาให้เราไม่เหร ถ้าไม่เอามาให้แล้เราก็โกดธกันแล้แม่ทําดีกับคนไม่ได้ดีดดเลยโกตธจนจนอาคาตจนจนฆ่าจนตายในเลยน่าก็เห็นว่านึกว่าเราทําดีกับคนไม่ได้ดีความอยากจะมาตกเปลี่ยนเช่ไหมไอ้ความเปจริงนั้นไอ้ที่เราให้เงินเขานั้นสงเคราะห์เขาน่ะมันดีอยู่ ไอ้ที่เขาไม่เอาเงินมาให้เรานั่นน่ะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเขาอันเรื่องไม่ดีนั่นมันเรื่องของคนอื่นเรื่องดีนั่นนั่นเรื่องเราสงเคราะห์เขาแต่เขาไปตอบแทนคุณเรามันเป็นเรื่องของเขาอันจริงที่เราเอาเงินให้เขาสงเคราะห์เขานี่มันดีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่ว่าทําดีไม่ได้ดีที่คนนั้นไม่เอาของมาให้เรามันตรงเราคนนั้นไม่ดีเขาทําไม่ดี เราก็ไปเข้าใจว่าเราทําดีไม <gesprochen> ่ได้ดีเอาเรื่องที่ไม่ดีมาใส่ตัวของเราก็ไปแย่งเอาของเขามาใส่เรื่องเขาที่ไม่ดีนั้นก็นึกว่าเราทําอย่างนี้มันก็เกิดยุ่งขึ้นมาแต่แล้วก็เห็นว่าทําดีไม่ได้ดีไอ้ความจริงๆเรื่องไม่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเขาเรื่องเราเอาเงินให้เขานั้นมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่ได้ทําดีมันไม่ดีอยู่แล้วอันนั้นมันเรื่องคนอื่นเขาถ้าเรามาคิดในแง่ธรรมะเช่นี้เราก็ความดีของเรายังเหลืออยู่ ไม่ได้ไปที่ไหนเรื่องที่มันเฉื่อยทุ่นายเสร็จมาเรื่องคนอื่นแล้วมันทาไม่ดีมันจึงเป็นอย่างนี้เรื่องเรานั้นยังดีอยู่ถึงเนี่ยเขาไม่แทนเร า, เราแล้ก็ยังไดยดีอยู่เพราะเราทําดีนี่ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเ็เรื่องของคนอื่นเขาถ้าเราคิดในเดชขานตรงไปที่นี่อะได้แน่ยธรรมะแล้วแล้ก็มีความดีอยู่ตลอดเดวลาไม่ได้เสียหลักที่นี่พราพูดทธเจ้าวสอนว่าไอ้าทาดีไดยดีนี้ทําชั่วไอ้ชั่วนี้หลักนี้แน่นอน มันจะเปลี่ยนแปลงแต่โดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าถึางสารเท่านั้นเองเราไปแย่งเอาความไม่ดีของเขามาใส่ตัวของเราเลยเกิดเป็นของไม่ดีเข้าใจว่าเราทําดีไม่ได้ดีแต่อย่า น, นี้อันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าของเรามันผิดไปเราคิดผิดไปฉะนั้นท่านจึงให้น้อมใจเรามาสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็ไปสู่ใจถ้าน้อมธรรมะก็ไปสู่ใจมันจะพาเข้าไปในป่าไม่รู้เรื่องที่ น, นี้ ที่นีผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเป็นต้นจะคลายราะโทสะโมหะลงมาจะเป็นผู้ที่บันเทาจิตกรรที่มันร้ายากาจตระอกจากใจของเราได้เป็นต้นขั้นถึงว่าอบรมธรรมะการอบรมบ่มนิสัยนี้เรื่องว่าธรรมะธรรมะที่ดีแล้ว อันวุ่นโอบลวงดีแล้วไม่นำทุกข์มาให้เราเลยแก้ปัญหาได้เมื่อเราทุกข์เกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญหาอืมทุกข์มันเกิดขึ้นมาสารพัดอย่างที่ธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้อืแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้เพราะเฉลยของธรรมะี่มันเหนือยทุกสิ่งสารพัดอย่างกามารถที่แก้ได้ทุกอย่างทุกสิ่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ ข่ามีมากขั้นตัวแกมากข่านมีน้อยขั้นตัวแก่น้อยอันธรรมะอันนี้เรียกว่าพระพุทองค์ครงตัสแล้วว่าไม่ผิดคิดแล้วไม่ผิดทาแล้วไม่ผิดพูดได้ไม่เป็นของไม่ผิดข้อธรรมะไม่แพ้ใครข้อธรรมะไม่ชนะใครโลกเรามันเอาแพ้กันเอาชนะกันธรรมะไม่มีแพ้ไม่มีชนะอืมแค่นั้นธรรมะอันนี้จริงเป็นของยินตัวจึงเป็นจัตเจตทังสีความจริง ก็้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเมื่อทําผิดมาแล้วเพราะว่าคิดไม่ถูกต้องบอสบายแม่ถูกปัญหาเขาว่ามาสวดีขึ้นว่าเขานินทาเราเนนี้เป็นตน้นเรื่องไม่จริงแต่เขาไปนินทาเราอย่างนี้เราก็พากันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมทุก ข, ข์เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นเขามาว่าให้เราเนี่ยเท่า น, นี้ก็ทุกข์คนเราเนี่ยเพราะไม่มีธรรมะ เ, เรื่องเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าล่ะ อื ค, ค, คถ้าเราถูกเพราะว่าถูกมินทาเขาคนเราชอบโกรธนะชอบโกรธชอบว่าเขาชอบเพื่องคนอื่นใช่ไเขามินทาเรานี่แหละคือเขาสอนเราคนที่สอนเราโดยสนิทนี้มีโอกาสยากที่สุดเลทีืเดียวคนจะมินทาเราชักประเสริฐเรานี่มีโอกาสที่จะยากที่จะเห็นเพราะว่าถ้าเขานินทาเราแล้วก็ไม่สบายใจไ ม, ไม่ได้รับพิจา ร, รณาเี้ ถ้าเขาไต่นสนแเสริญเราแล้วก็ป่อยดีใจใช่ไหมไม่เคยมีปัญหาอะไรความเป็นจริงที่เขาินทาเรานั้นน่ะอันนี้แหละมันเป็นปัญหาอย่างสำคัญที่เราจะต้องศึกษาตัวเรียนบางทีทั้งทางเราที่มาโดยธรรมตัวเรีเขาคนอินทาว่าเราไม่ดีบางคนตกโสดเขาแี่เลยนึกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมาถึงอินทาเราว่าเป็นอย่างนั้นแค้นในใจเพื่อค่าเสิดตายยังไงเพราะเราไม่ทําอย่างนั้น ไอความเป็นเพียงผู้นี้ทํามาแล้วเมื่อถูกกินตาเช่นต้องหยุดนี่พิจารณาดูว่าเขาว่าอะไรกันเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นจริงไหมเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็ี่ยนก็แล้วไปเอาข้าห่างก็เปลนทีอย่างเขาว่ายังเลยถ้าเป็ี่ยนอย่างนั้นก็ดีแล้วไปแก้แล้วนะมันเป็มดเรื่องของมันเท่านั้ น, อนเองนี่ธรรมะในแง่นี้อืถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าให้เราเล่าก็โก้เลยเขาอันนี้ไมันจะแง่ธรรมะ ถ้าเจอเนี่ยทำงานเลยเขาว่าให้เรามันจริงหรือเปล่ามีอะไรไหมคิดว่ามันไม่ดีนั่นเราควรทาลบเออเราจริงนะเราทําอย่างนั้นจริงนะเราพูดอย่างนั้นจริงนะนี่นี่แล้วก็เสียอะไรตัมง ใ, ใจของเราออกทหามันดีใะ่กลุ่มกันไม่ดีแล้วอันนี้มันเปิดประโยชน์แล้วคิดว่ามันทางมันเปิดประโยชน์แล้วเราจะต้องเอาความดีในสิ่งที่ไม่ดีนั่นสิเราจะต้องเอาความสงบในสิ่งที่วุ่นวายมันได้ นี่คือวเนนี้ธรรมะฉะนั้นจึ ง, งอ่าน้อมใจเราไปสู่ธรรมะไม่ต้นนองน้อมธรรมะไปสู่ใจเราเพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้อเพราะธรรมะเป็นความถูกต้องอยู่เสมอถ้าเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะเนไม่ผิดมีแต่ถูกต้องตรงนั้นคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องเนี่ยเรื่องถูกต้องเขาไม่มีอะไรจะผิดแล้วเขาจะว่าเราทําอย่างนั้นเราไม่ได้ทำํำก็ถูกเพราะเราไม่ได้ทําเขาว่าเราก็าคิดเล้วก็เอาไปเสียเราก็ไม่มีอะไร ถ้าเราทําอย่างนั้นจริงเขาบอว่าเราทําอย่างนั้นไม่ดีแล้วก็ทําจริงๆแล้วก็แสีตัวแล้วจ้ะมันก็หมดเรื่องต่งนั้นอันนี้เป็นแง่ของธรรมะไม่ต่อสู้กับใครนะสู้จะสิ่งที่มันไม่ถูกเมันถูกต้องลงไปตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นธรรมะนี้กิงเป็นของที่จะแก้ปัญหาให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายนนามาขาขแม่เขาจะด้เสิร์มาก็พอใจที่จะฟังรับฟังเเกิดความรู้แม้จะเขาจะนินทามาก็ตามเป็นต้นอันนี้ประกอบด้วยความรู้เราตรงนั้นนะ เราจะต้องดูอย่างนี้อันนี้ในเน่ยของธรรมะจะต้องสอนอย่างนี้ถ้าพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะต้องอบรมอย่างนี้ธรรมะมันจะเกิดอย่างนี้นี่แค่นั้นจริงอบรมกันเพราะจากสิ่งอันนี้มันแก้ปัญหาเราได้อย่างแท้จริงทางนั้นจริงที่แก้ได้ในนี้เลยเพราะมันเป็นไปในการปล่อยวางถ้าพูดไปทางรูปเขาแล้วมันก็ลำบากมันเอาแพร่กันมันเอาชนะกัน <belki. S 1> ต้องเอาชนะกั น, าานเอาแพร่กันเป็นเกณฑในทางธรรมะเอาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประมาณอแค่นั้นความวุ่นวายมันจะน้อยหรือมันจะหมดไปเป็นต้นอ่านี่แคนั้นธรรมานี้จึงได้เป็นคําสอนของพระพุทธ เ, เจ้าของเราทุกคนแม่จะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นหนุ่มก็ตามจะเป็นเท่าแฉะแฉะชลาก็ตามเถอะอืเป็นต้นจะต้องมีปัญหาหรือทุกระบบปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ทุกข์ ไม่อย่างขึ้นว่านักเรียนหรืครูเราอยนี้ก็เหมือนกันมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่นามขึ้นมาแต่เพระความผิดหวังเนี่ยเพราะความผิดหวังเนี่ยสอบเพื่อนเขาตั้งห้าคนหกคนเขาสอบได้เขาสอบไม่ได้ผิดหวังกันแล้วไปกินยาตายกันแล้วโจรเหนีตายกันแล้วเนี่ยทำงานพร้อมกันหลายปีมาแล้วเขาขึ้นเงินเดือนจะสองพันสามพันเราก็ยังเดือดเถื่อยอยู่เนี่ยผิดหวังกันแล้วเนี่ยถ้า ต, ต้องคิด ไม่สบายใจซะแล้วอายครับเนี่ยคิดทบทวนไปมาไม่อยู่ไปธรรมะไปตายดีกว่าเนี่ยมันคิดเด็ดสิอันนี้บุคคลเราจะตามความชั่วกับความสิดหวังแค่พุระองค์การสอนว่านาลาปฏาีจำปีทุกคั้งแต่ความปรารถนาจริงใดไม่ได้สมหวั ง, งสิ่งมันก็เป็นทุกข์เราไม่ดูไปเนี่ยในธรรมะเราดูไปในเนี่ยจะสิ่งที่มันจะได้มากกว่ากันไนน้อยอกว่ากันแย่งกันไปเรื่อยเค่นั้นแหละ อมันก็ได้เกิดความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วก็เกิดปฏิบัติตยาอย่างอื่นขึ้นมาด้ว ย, ใ ห, ย, ห ย, ยให้เราฆ่าตัวตายให้เรายิงตัวตายให้เราตันคนอื่นจะนฆ่าคนอื่นฉัแย่ ง, ยงคงอนอื่นเพราะอันนี้เองเพราะอะไรเพราะแก้ปัญหานี่ไม่ได้อืมปัญหาที่ความผิดหวังานี่มันเป็นปุ๊ดตายเขาอะไรต่ออะไรก็เขาแก้แล้ยอย่าดีตก็คิดอาภัพขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้มนุษย์เราทั้งหลายทําความชั่วในโนเด็บุคคลอื่นต่อไป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 ไป 100% คนเราไปจริงไหมไปจริงไปจริงไหมไปจริงไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีความรับรองของโรตีวีไสธรรมะ น, นี่คันว่าไม่แน่ธรรมะคันว่าไม่แน่ควรจะได้ไปก็ไปควรไม่ได้ไปก็ไม่ไปผมไปเดือดขาดเลยพวกนี้แน่นอนในร้อยเเซ็นต์เลยมีของคนนะเมื่อตอนรังเกนมาเนี่ยมันปวดท้องกันงจ้า จะตายก็จะไปไม่ได้อีกแน่ร้อเร์เซนมันนี้ไปที่ไหนล่ะือ ม, มันถูกคําพร้ว่าไม่แน่คําที่ว่าไม่แน่นี้มันถูกแล้วถ้ามันในปวดท้องก็ไปในปวดท้องเลยก็แล้วไม่ก็ถูกยกุบทางวันเลยธรรมะการแก้ปัญหาอย่างนี้อืแค่นั้นอายทุกจินตุย่างต้องให้อภัยกันท่านให้อภัยที่สมควรที่ธรรมะเป็นลักษณะที่แน่เมื่อ ม, มีโอกาสเต็มที่ก็ไปเมืม่อมีโอกาสก็ไปไม่ได้ มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยไปแค่นั้นธรรมะนี่ไม่ผิดหวังพากันไปอบรมเถอะให้อบรมเถอะให้มันดีเถอะอบรมเถอะไม่ผิดหวังอืม น, นะไม่ผิดหวังแน่นอนสอบจะได้ไหมไม่แน่เอาไปเลยเอืมมันไม่แน่เลยนี่อ่าไม่มีทุกไม่มีทุกไม่มีทุกทุกไม่มีเออมันไม่แน่มันก็จริงด้วยนี่หรือหากว่าเป็นไข้ามาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคนลอยาจ่ายหาอย่างเดียว หายาหายใครไปดูก็หายหายเพื่อนผกไปเออหาหายวันหายคืนเถอะเล่าก็อยากจะให้มันหายเอาหายอย่างเดียว เ, เรื่องไม่หายไม่คิดถึงพระไม่ว่าอางั้นหายก็เอาไม่หายก็เอาเราเอาแต่หายอย่างเดียวนอกจากเอาที่ยังก็ปิดที่มันที่ไปขึง้งหนึ่งแล้วนะ่ะมันหนึามมา่ที่ธรรมะเนี่ยเกิดไข้ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าแต่คิดว่าตายก็เอ า, าเป็นก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอาโอ้ยมันสบายเหลืวเกินเลย มันสบายคนเอาไม่้ายอย่างเดียวมันตายก็ร้องไห้เท่นั้นแหละเพราะมันมเนี่ยอย่างนั้นเนี่ทำไมนี่คนอบรมธรรมะอันนี้แก้ปัญหาเร้่ทุกอย่างทรรมะนี่มาถูกอยู่กัทั้งวันกัทั้งคืนเลยแต่เราไม่เห็นมันเสียงคนอบรมถ้าเอาไปละคุณครูทุกทุกคนจะกติตกิจชนิดมันสบา ย, ยาเหลือเกินทีเนียจะอยู่กับพวกกับฝุงจะทำการงานตอนหลัมันก็สบายจะอยู่กับบ้านกับช่องก็สบายจะอยู่กับลูกกับเมียก็สบายทั้งนั้นแหละไม่ต้องเสียงกันหรอก อย่างนั้องตีย่างการพูดขึ้นมาทั้งมันไม่แน่ใชแต่กงไปเลยไปทางานใช่ไหมบ้านพูดถึงไม่แน่นไปทางานเลยเพรบ้านพูดมันไม่แน่ไปทางานไม่มีเสียงกอะไรก็เพราะมันไม่แน่เห็นไหมแต่มันไม่แน่ไหมบางวันมันเกลียดกันมีไหมนะอืมบางวันมันรักกันมีไหมมันแน่ไหมนะบางวันมันใจดีบางวันมันใจไม่ดีเห็นไหมมันคองไม่แน่ไหมมันไม่แน่อย่างนั้นธรรมะท่นเห็นอย่างนั้นกาังคนเสียงวายฉะนั้น ให้นักเนรธรรมะเราทังร้ายให้ให้นักเนรธรรมะอย่าให้ย่อนธรรมะให้นักเนรธรรมะให้มีธรรมะให้สอนธรรมะให้กระตุกธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้มันดีทุกวันนี้คนเราวิ่งนี้ออกจากการธรรมะเท่าไรเขาวิ่งงูไปเท่านั้นวิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นนะใค่นี้ไะจากธรรมะใหู้้จักของธรรมะจะพาว่าทางหลายเหล่านี้จะเรียกว่าธรรมะนี้คือนั่นไปฟังธรรมะกันเถอะ จะไปฟังธรรมะอะไรฟังธรรมะคือจิตใจของเจ้าของนี่เองเพื่อทำจิตใจของเราให้สบายนี้ก็เพราะอะไรการทําบุญสุนทานหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าของเราสอนได้ว่าศีลสมาธิปัญญานนเนี่ยศีลเนี่ยศีลคืออะไรนะศีลไม่ใช่แบบปานาอาจินนาจามีมูสาสุลานะ่ะอันนั้นไม่ใช่ศีลหรอกอของห้ามให้ศีลเกิดขึ้นมา ดังว่าหินห้าเนไม่ยากก็ไม่ไรแต่โน้นไม่ต้งตนนตงตองไปบวชก็ได้แล้วปานาสินาตามเล ม, มุสาเุลางอันนี้มันเป็นเครื่องห้ามของมันถ้าห้ามไม่อยู่มันก็เป็นไม่เป็นศเลยไม่ฉิ่นอยู่ตรงนี้ท่อห้ามมันห้าอย่างกันนี่เจตนาห้าสิกรษะศีลังมาตามนี้ตัวเจตนานั่นแหละเป็นศิ่นอันนี้จะไปเอาบัญญัติอันนี้จะเป็นห้ามห้าท่อนี่ว่าเป็นฉิ่นไม่ได้ดังนั้นคนเรารักษาฉิ่นโดยสานทีว่าไปท่องยึดไปบุญ ในหลักทั้งห้าประการ น, นี้มันถึงจะ ม, มีความสุขมันไม่มีการละการละแล้วจะเกิดกนาอันนั้นเลยมันเป็นเสนจะเน้ น, นอันนี้เราก็ทํา้องไปถ่ถูกเหมือนกันอืให้หนับในธรรมะอือัตมาเคยพูดตรงไปตรงมาเยอะที่ไปี่นั่นที่ไหนก็ตามแต่ธํามะนี่มันน้อยเกิเนในกลุ่มชนพุทธบริกัทเราทั้งหลายน้อยอืน้อยอนาเคธรรมะซึ่งน่ะ ทำบุญบ้านตัวดีทำบุญที่ไหนที่ไหนตัวดีมันหนักกันไปที่แค่อย่างอื่นใช่ไหมหรียกว่าทำบุญแค่หนักไปทางการกระทำบาปใช่ไหมไม่เคยมีบุญกันจเจออาบุญไปแต่เอไปชนะเด็กไในว่าเป็นบุญกันไม่หนับไปในธรรมะไม่นักไปในพุทธศาสนาหนักไปอย่างอื่นคนนึกว่าผมเคยทำบุญมาเคยสังฆ์มาเคยอะไรอะไรให้ทานมามันก็เป็นอย่างนี้ในรู้ว่าบาปอะไรไม่รู้ว่บาบุญอะไรไม่นเป็นอย่างนี้ เราจะไปคิดเช่นนั้นเอการจะทําบุญนั้นคือทําใจเพราะนายรู้จักบาปบุญคุณโทษนี่เองไม่ใช่ว่าเอาของใหหลายมาทานมันเกิดบุญมันละความทุกขได้กิเลสมันหมดไปได้แต่อาหารดีๆมาถวายพระหรือ ม, มากินกันก่เดสมันหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นอาหารอะไรก็ข้าหมูมาเท่านั้นเนี่ยข้าไก่มาเท่านั้นเนี่ข้างัวมาเท่านั้นแหล ะ, ะ, หล ะ, ะ, หละกินแล้วยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่พออีกเอาเล้ามาใส่กระเทีย เอาเอาไปอีกอั่นเป็นบุญไม่มีบุญเลยไม่เห็นบุญบุญนั่นไม่ยอมชำระร่างจิตใจของเจ้าของนี้ยัเหยียดเยียนใครเนี่ยทำผิดในเป็นบุญเป็นกุศลนี้มันเป็นบุญไม่ใช่ของไอ้นั่นบางคนทําบุญเป็นนิดนี้มาแล้วคนนี้ดีอกดีใจเลยทําบุญในงานมากไอการร่ายเดียสังหลายภายในจิตของเจ้าของนี้ไม่มีบุญจะเกิดขึ้นที่ไหนอืบุญเป็นของที่สะอาดก็เกิดจากของที่สะอาด กายสะอาดวาจาสะอาดใจเราสะอาดบุญไม่ที่เกิดขึ้นมาได้ในที่นั้งอันนี้มันจะทาบุญกินเล้าันสมดพวกโอนเนไอ้คนที่จะเอาบุญมันมาหมดแล้วจะเอาไงกันดีะ่ะในกรณีมีมลทภาไปเทศไอ้คนที่เล่าฟังนีพระจะไปเทศอะไรฟังจะไปเทศมันผิดมันถูกใครฟังอะ่ะถูกคนที่เล่าเขปรกที่อบพระอาวะพระอย่างนั้นมั่างนี้อยู่อัะธมาทุกข์ไม่ค่อยไปแต่ใครินเล้าก็กินกันใช่อย่างเดียวก็จะไปเทศกันฟังเลย ให้มันเม า, าเต็มที่มันก็สะพอแหล ะ, ะนี่มันไม่เกิดประโยชน์ช่างไม่เกิดประโยชน์แร่พุทธเจ้าทําไม่เกิดประโยชน์ช่างให้เกิดประโยชน์ตะชนประโยชน์พวกคนอื่นจะทํำอะไรก็ให้เกิดประโยช น, ยชอนอยอยช์อืมฉะนั้ น, นมีคนอาชีมาไปที่ประชุมที่ไหนอัตาานาไม่ค่อยไฟที่คนมันมีคนกันงธรรมอันนี้มนุษไปเทือดแข่งเสียงรถยนต์เล่นฉะนั้นเนี่ยหมดกําลังเฉยๆอยู่สบายดีกว่าไอส้สงบสงบอย่างนี้กันมาฟังคําเอาเหตุผลท่านนี้ดีกว่า อั น, นี้เป็นหลักทุกอากาศนะคำม า, ากแต่๋ยวมันไม น, น้อยไม่มีราคามากไม่รู้เรื่องเลยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังคำอะไรนะี่ท่านไม่อยากจะฟังดีกว่าคนที่เราอเมืม่อเสียไปมาแคน่นี้มนมลหลวงพ่อเสียแค่นี้ถไม่ต้องเสียมากหรอกนิดเดียวคนไม่อยากได้ของไม่ดีนะนะั้นแหะไม่พอใจนะเอานิดเดียวแต่อของดีก็คุยเอาคยเอาเท่านั้นแหละอืมก็หาเวลาเอามากๆา น, นะเะอืยเสียจบแล้วไปยังพูดดีกว่า มี อ, อีกทางอีทางต้องพอ่าถึจะออกไปหลายรอบอีกแล้ว <c oughs> เออที่เล่าเนี่ยที่เาอะไรก็ไม่หลาอย่างเอันนี้ไม่ดีดนะควรอบรมกันใหม่อันนั้นไม่ใช่บุญแล้วแล้วโ ด, โ ด, โดโทํากันไปแต่ไม่เลยทุกวันมันเดือดร้อนจันมาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญทาบุญไม่รู้จากบุญกันทําบาปไม่รู้จากบาปกันไม่รู้อะไรเกิดอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเจอเดียวหรอไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไร เขาออไรูไ้เรื่องอะไรนะั่นเอไม่จะไม้เรื่องอะไรนั่นเนี่ยไม่รู้ครูไม่รู้อาจารย์ไม่รู้พอ่อรู้แม่รู้การรู้มันเขไม่รู้เรื่องมันก็เป็นอย่างงั้นเป็นอย่างไรนะฮึ่เออถึงที่จะ้เรื่องไม่ค่อยพิจาหณากันเนี่ยก็ทําอย่างอืงอ่นเพื่อมาไม่ผิดได้หมดแต่แรกอันนี้ควรอบรอามหธรรมะเรายังอยู่นะถ้าคนจะทำยังมีอยู่นะอะไรอะไรทั้งหมดยังมีอยู่นะเครื่องของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อือย่างกางรบวงนี่แหนะอือ บวชัเี่ยแค่ผัตัไงบวชกันบวช้อง้องบวชหมดงถึงหลายมื่นัวชไปเจ็ดวันสามวันสิบคนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเนี ality, ่ยบวชกันแห่กันสองวันสามวันเจวันหมดเข้าของเงินทองเนี่ยอาจมาไม่ไม่จะเห็นไม่เอาลน่ยอาจมาไม่เอางั่นบวชไม่อยากใจคนเห็นเลยบวชกัางคืนเนาะบวชตงวันสิบเจ็คนมาถ่ายรูป ทายอุปชาม้างทายคู่สวจม้างทายหน้าม้างทายวุ่นวายอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์อะไรมากมายทีห้าทุ่มบวชกันสบายสบายชาคราเราก็สบายดีก็ไม่มีอะไรบวชแล้วเรต้องปฏิบัติเจ็วันก็ให้ปฏิบัติเจ็วันทิพหาวันก็ให้ปฏิบัติทิพหาวันให้มันทำเถอะไอ้มันดูเรื่องมันบวชมาแล้วให้มันมีปัจจัยให้มันมีรถมีชาติที่ต่าไปจระเป็นข้อแนะนําเราให้เป็นตัวอย่างของคนอออืเ อยากจะคิดขึ้นนั่นทีอย่างนี้พระองค์หน่ในสมัยหนึ่งอยากจะศึกมาแล้วก็เผยพดาสูมาอาจารยม่ห้ศึกนานไปลาท่านไม่อยู่ท่านก็หายศึกลาวันนี้ศึกแล้วพรุ่งนี้ศึกไปได้ตอนเย็นมาจับไก่มาฆ่าแล้วต้มกินเลยไม่ต้องศึกหรอกถ้าเปิดว่าทําไมท่านจึงกินไก่จึงกินข้าวเย็นกันเนี่ยกินจะเป็นอะไรพรุ่งนี้พรุงจะศึกอยู่ ดูสิมันคึกตอนสิ้นสลายยังนงล่ะจิตใจของคนเราเป็นยางงั้นท่านจึงมาเห็นน้อมใจเขาไปหาธรรมะอาจรารย์จะไม่น้อมธรรมะกับมาใจของเราให้น้อนใจของเราก็ไปดูธรรมะนะให้น้อนใจอะไน้อมเข้าไปเราก็เดียวใจของเรามีคุณค่าน้อมจึงนอมเขาจะหาธรรมะเมื่อน้อนธรรมะก็มาใจใจของเราใจเรามันก็เบิ่มนย่างที ก็มีอำ น, นาจมากกว่าธรรมะเท่านั้นเพราะว่าจิตใจเราเป็นกันอย่างนี้มิเทนั้นธรรมะนี้พูดถึงว่าธรรมะธรรมะนี้ไม่มีโทษกระไถ่กันเลยเทนั้นธรรมะนี่เมื่อหากว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในสัตว์เมื่อหากว่าธรรมะนี้แทรกเข้าไปอยู่ในเด็กธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนหนุ่มธรรมะนี้มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนแก่ในวงข้าตกา ร, ารในวงไหนก็ตามอเลย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 อนาคตก็เพื่อจะไม่ให้ทั้งหลายเรานั่นเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราเข้าใจในธรรมะเช่นนี้แล้วมันก็เกิดปัจจัยอย่างนั้นอนี่แค่นั้นในฐานะที่ฐานะทูทั้งหลายที่มาอุรมในวันนี้ก็ดีแล้วอืมอาจจะมาได้อืมพูดธรรมะให้ฟังเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อประพฤติธปฏิบัติอยากให้เข้าใจว่าของดีเกิดมาจากที่ดีนะอืม ของมันดีนั่นมันเกิดมาจากสิ่งดีๆอยากได้ของดีนั่นจะต้องทําเหตุให้มันดีๆเหตุมันดีแล้วผลมันก็ดีเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีอันนี้จำไม้ใแน่ไม่มีผิดได้ทีเดียวไม่มีผิดถ้าเหตุไม่ดีแล้วสิ่งที่เกิดมามันก็ไม่ดีถ้าเหตุดีมันก็ดีเหตุชั่วมันก็ชั่ว แต่ว่าบุคคนเราจะชอบคิดอย่างนี้ว่ามันได้น่ะน่ะมันดีไม่ได้น่ะน่ะบาปเนี่ยอันนี้คิดกันเป็นนิสัยเลยมากอ่ได้น่ะน่ะมันดีโงกขึ้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าได้มาในทางที่ดีมันก็ดีแต่ได้มาในทางที่ไม่ดีมันไม่ดีครับเดียวนอนอยากเดียวอยู่ยากเดียวกินยากเดียวลําบากเนี่ยเดียวก็คิดอย่างนี้บางคนเออทอมาก็อย่างนั้นอะ ได้มันได้มันอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ดีนี่คนคิดเป็นี้ดีให้ครึ่งนึงเหมือนกันได้นั่นอ่ะมันดีแต่ว่ามันได้ในทางที่ดีถ้าไปโกงเข้ามาน่ะไปโป้นเขามานะไปฆ้าเขามานะไ้อะไรเขามาในทางที่ไม่ดีนั่นมันเกิดขึ้นมามันก็ดีดีแต่มันได้ขนาดนั้นแ่ะแต่ได้ในทางที่ไม่ดีนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งระวังให้มันเป็ีเอ้ มันเดือเย็นเข้ามาอีกสักวันหนึ่งสมมุติไปฟังนะเขาจะประกาศว่านังมนุษย์มีราคามากหนังครูยิ่งมีราคามากนะนังครูใหญ่ยิ่งมีราคามากตัวครูน้อยนะนี่เขาจะประกาศสมมุตินั่นสมมุติจะนอนนะแต่ว่านังโครูใหญ่มีมีกิโลหนึ่งหลายหลายสิบบาทนะเนี่ยหนังมนุษย์จะมีราคาเกินมาเช่นนี้ใครเอามาจะใครพาว่าใครว่า ได้มานะมนเนี่นยเป็นบุญได้ได้าเป็นบุญครูใหญ่จะอยู่ลําบากนะครับครูใหญ่จะอยู่บากครูทุกๆุกครูอยู่ลาบาก ค, คนธรรมดาเราก็จะ อ, อยู่ส บ, บายแหน่อยเพราะไม่เป็นครูหนังไม่เป็นมีราคาเท่าไหร่นะทีนี้เมื่อหากว่าได้ท่าศิกว่าได้ดีได้มากเลยนังมันดีเป็นบุญเขาจะหานะทีนี้นะเขาจะหาหนังครูนะเขาจะเรียหานะเขาจะเรียนหาทำบุญกันทีนี้ถ้าเอาหนัง เป็นไงอืตามเป็นเยียดเป็นไงไไไ เ, นนเหนื่อยดีไหมไม่ดีแน่นอเลยจางมันเป็นแคนน่นี้หรืออีกคนนึงประกาศเน่ยขายยาพิษยาพิษเนี่ยสําหรับเป็นยาพิษให้ใครกินก็ตายผิดหายตรงนั้นเนี่ยเขาจะประกาศว่ายาผมมีดีที่สุดให้ใครกินก็ตายให้เสร็จกินก็ตายให้มนุษย์กินก็ตายยาเนี่ดีมากที่สุด ดีน่นดีดีถ้าดีนั่นก็เอาอจะของยากินยาดูสิจะกลากินไหมมันกินไม่ได้้ำไมเยอะดีเด้นี่แค่นั้นแหละอันนี้เพราะอะไรแล้วเพราะดีไม่รู้จักดีเนี่เนี่ยดีที่มันได้มามันดีไม่รู้เหตุมันพระพุทธเจ้าเขามาสิ้สุดกว่าเหตุนั่นแหละสำคัญมากกว่าผลผลนั่นมันเกิดทีหลังลัะผลมันเกิดทีหลังเติมมาห่วงอะไร ไอ้ต้นมันดีกว่าผลมันนะจะต้องมีต้นก่อนถึงมีผลผลเกิดอพอรมนได้อันนี้ก็เหมอนกันฉันนั้นพวกเราท้งไหนนี่จงสนใจในเหตุดีที่ปราศจากโทษดีนั้นดีในทางพุทธศาสนาดีที่ประกอบไปด้วยโทษนั้นมันก็ดีเหมือนกันดนีนอกจากพุทธศาสนาดีแล้ววุ่นวายดีแล้วเกิดโทษ ดูดีแล้วเดือ ด, ดร้อนพนั่นก็ไม่ดีกรรมชั่วที่คนทำแล้วกรรมวันใดที่ใครฟังแล้วเลือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีกรรมวันใดที่คนทํำแล้วตายด้วยประจ่าทาแล้วมีความสุขในภายหลังกรรมนั้นดีกรรมนั้นชื่อว่ากรรม่อนของพระพุทธเจ้าของเราไอ้เพ่นนี้หลักที่แ่พจธปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปวิ่ง อ, อยู่อยู่ที่ไหนแล้ว มันมีตายของเราอยู่แล้วมันมีวาจาเราอยู่แล้วมันมีใจอยู่แล้วใครจะไปรู้จักดีกว่าใจของเราแล้วให้ครูทุกๆคนลองลองคิดดูทีว่าตั้งแต่เราเกิดมาจําได้ในบัดนี้แล้วย้อนหลังนี้เราทำอะไรบ้างทําดีแสไหนที่ไหนมีไหมตั้งชั่วผิดถูกมีไหมอันเนี้อันนี้ของอันนี้เป็นปันจจัยต่างให้ไปดูเอาเองแท้มีตรงนั้นแต่ใครจะรู้ดีกว่าเราแล้ว นี่พื่อเรารู้เองเราเราทำเองเราที่เรารู้เองเราเราทําเองเราโลกก็ปฏิบัติเองเราเราก็เลิกเองเราเราละเองเราปฏิบัติเองเราสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่ติดเยในใจของเรานั้นถ้าเราไม่ชําระมันใครจะมาชําระให้เราล่ะจะให้ใครหน้าที่ของเราเราไม่ทำใครจะมาทําให้เรามันเป็นเช่นนี้ให้คิดขึ้นนี้มันเป็นธรรมะอาจารนั่นให้ แค่ถ้าครูสั้งหลายที่มาฟังธรรในวันนี้ไป ต, ตรวจกาดูเจอะว่าแค่ไหนมันมานี่มันมีอะไรบ้างไหมในใจของเรานั้นมันคิดชอบถูกต้องแล้วหรือยังนั่นให้ตรวจดูไม่ใช่แค่ตรวจดูต้นไม้ครูเขาเราการเราตรวจตัวกายดูใจของเราวังนี้หรือย้อนอดีตนั่นน่มันมีอะไรบ้างไมใใงามง ห, งหดดไมถ้ามันมีที่ไม่ดีก็ตัดแต่ยันละมันเชื่อแต่ยันละมันจนถึงปัจจุบันนี้ แม้นอนาทตกคือยังไม่ทำตัวดีเขาพยายามอย่าทํามันอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าผูประพฤติปฏิบัติเรียกว่าน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมะไม่ใช่น้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราอันนี้จะเป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุนี่จะนั่งการประพฤติปฏิบัตินี้เมื่ อ, อไรเมื่ อ, อไรทาชั่วแล้วทําดีทาดีแล้วก็ทาชั่วทาชั่วก็ทําดีบุญบุญแล้วก็บาบบาปผิดผิดถูกถูก มันก็ผิดๆตักๆที่นทำทบาปมาแล้วทําบุญล้างมันจะได้ไหมได้นะเพราะฉะนั so, ้นพระพุทธเจ้าไม่เนี่ยพระพุทธเจ้าเขทําผิดมาทั้งนั้นน่ะทํำบาปมาชาวโลกก็ทํำบาปมาทั้งนั้นทําผิดมาทั้งนั้นแต่ท่านรู้และท่านหยุดนี่หลักทีนนี้สำคัญมากอย่างเราคุณวุฒิอนจารย์อะไทุกๆคนนะเคยสูบบุหรีมาเคยกินเหล้ามาอะไรอะไรทุกอย่างมาแล้วเมื่อมารลือกที่นี่แล้ว่จะหยุดไม่ได้เลย กินเหล้ามาแล้วหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินมัได้มันจะหยุดบาปกินทันชามันจะหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินมันจะหยุดบาปหยุดแต่วันนี้ไม่กินแต่วันนี้ไปก็ไม่เมาแต่วันนี้ไปนี่นี่เรียกว่าทำบาปมาแล้วทําบุญล้างมันเพราะการหยุดอืไม่ใช่ว่าจะทําบาปซะเอางัวงตนมาฆ่าลงไปซะเอาไปถวายพระสักครึ่งมีึ่งแล้วก็กินกันซึงอันนี้ไม่ใช่ทําบุญล้างบาปไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้น ไม่ใช่แบบนั้นแบบหยุดแบบหีุแบบหยุดทำบุญเคลื่นอนกันอยุ่เคื่อนมีเดือนทำบุญล่างบาบแบบบาปอะไรมีมาล่างเลยหมทังนั้นแหละใช่ถ้าอยู่แต่ร้องดูก็ได้อถ้าครูเราทุกคนเนยังทานเล่าอยู่ยหยุดกินเล่าสิครับถ้าว่าต่อไปนี้ทำมันยังเมาอยู่อย่างเดิมจะมาเคลแบบนํารมะมันมีอยู่อย่างนี้นะแหละแกคนเราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยพิจารณาเอาจริงอาจังกันนะ มันเปลนเปล่นนี้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ตัวของเราอันนี้อันนี้วันนี้ที่ในบรรยายาติธรรมะเด็ดกะเด็ดนะบรรดายาติธรรมะนี่มันจะติดต่อกันนั่นเด็ดกระเด็ดนี่ทาแสดงทาโดยเบ็ดกรเด็ดเพราะว่าเพัาะอะไรมาทุกอย่างก็จับเลยนะเหมือนเราจะเหมือาจะมาจะไปจับไก่ตนุ่งจับถูกหางมันเลเอาจับถูกขามันก็เอา จะบผูกปีบเมือเอาจะบผูกปากเอาหมดเออไม่ผูกไก่ถึงก็พอนะพูดเด็กกะเด็ดนี้มันทุกอย่างหลายอย่างจะเอาอะไรมารวมกันในวันนี้ให้มันหมดทุกอย่างได้ไหมไม่มีมันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นความที่เด็กกะเด็ดนี้อันนี้สูงแห่งการฟั้งทำนี้กับบรรลุธรรมาได้อย่างสุดๆเหมือนกันในกล้องพุทธการเราเหมือนกันแต่แสดงทำไม่ติดต่อหรอกแต่มันมันเนื่องกันอยู่ไม่ติดต่อแต่ว่ามันเนื่องกันมันเนื่องในการละเนื่องในการบำเพ็ญอยู่ ถึงแม้จะจับไก่ตัวเดียวจับสู่ขามันก็ขาไก่เนะี่ยจับสู่ปีมันก็ปีไก่จับถูกหัวกับหัวไก่จับสี่ขนกับขนไก่ไม่จะเป็นขนเป็ดขาเป็ดหลอกมันเป็นๆนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าใครมีปัญญาทางธรรมอย่างนั้นนะ่ะในอัจฉริะเดียวก็รู้ได้ขีดความฟังธรรที่นีน้โยนกตนึกว่าในเวลานี้ฟังธรรมเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้โดยมากออกไปจากนี้ไปจะไม่เข้าใจว่าเราได้ฟังธรรม ความเป็นจริงธรรมะนะ้นโชว์อยู่ทุกเวลาออกเดินไปทางถนนนั่นเห็นสุนักบันกัดกันนั่นเนี่ยเปรี้ยดให้เราฟังเลยสุนักมันเปรี้ยให้เราฟังมันแย่งกันกินก้างได้ไหมอืมนี่มันแย่งกันกินก้ามันทะเลาะการนี่เรื่องนี้ไม่ดีเข้าใจไหมยังไงอืมสุนัขมันกัดกันอย่าเอาเอาอาหารไป่เสร็มมันแยกงกันเห็นไหมแยกกันกินก้างเห็นหมามันแยกกันกินอย่างนั้นเราก็น้องก็มาเต็มอึงอันนั้นเป็นไงนะ อเราแย่งกันนงี้ยนี่เปล่านี่นั่นแหละเทศแล้นั่นอ่ะเพื่อนหรือนั่งรถไปเกเห็นเต้นไม้ต้นนึงมันโค้งลงนั่งประเทศดี๋ยวฟังแล้วเนี่ยต้นไม้มันเทศด้ฟังเอออันนี้มันเกิดมันเริ่นกระจายนะนี่นะเราก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้นะมันจะยืนอยู่ต่อไปไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยก็เดินไปอย่างนี้อนั่งรถไปเอีกท่าเนี่ยเห็นงวตัวหนึ่งมันเดินทางไงดิร็เดินงวงเดินงองมันประเทศเี๋เราฟังเนี่ย เออันนี้งัวนะ น, นี่นะเมื่อไม่รู้ภาษามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลืยอย่างนี้ได้เห็นไหมทุกวันเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนทุกขณะให้โยมทั้งหลายเข้าใจว่ามีธรรมาชาติให้ความรู้อยทุกเวลานะทุกเวลาหรือไปถึงบ้านแล้วนะออกจากแล้วไปถึงบ้านไปกินข้าวมาสังธรรมมาเนี่มันหิวไปถึงบ้านโดยกินข้าวมากเกินไปอึดอัด นั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายนั่นแหละมันเทศให้เราฟังแล้วยังไงนี่เทศให้เราฟังแล้วมันอึดแล้วนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายมันมีใจจะเดินออกมางั้นแหละนี่เป็นทำไมนี่แหละไม่พอเหมาะตอควรนนี่คือของไม่พอดีถ้าพอดีมันจะอยู่สบายนั่งสบายนอนสบายนะถ้าไปมัวอย่างนี้จะไม่กินนะกินไม่พอจ้ะ เกิดนอนจถึงมันถึงอันนี้ปกทได้เราฟังอยู่แล้ ว, อ, ลวอันนี้มันไม่พอเหมาะพอควรมันไม่กินข้าวอย่างนี้นะ่ะคนมีปัญญาจะต้องให้ไล่ปัญญายทุกเวลานอกจากตายไปแล้วนะนอกจากตายไปแล้วคนผิดคนตายมีกาแฟเหมือนกันนะคนเราก็ไม่รู้จักคนตายเหมือนกันเป็นคนตายเราจะนอกจากคนตายไปแล้ว ตายหายใจยอยู่เคยเห็นไหม <c ười> เราเคยคิดไหมคนตายเดินไปเดินมาคนหายใจอยู่เคยคิดว่าคนตายมีไหมนั่นแหละคือคนไม่รู้จักคนตายอัปมาโทมัจจโนประชังคนประมารแล้วคือคนตายแล้วพี่ดอกมึเคยดอก ค, คนตายใช่ไหมมอก ค, คนดีเราไน้ว่ารวมหายใจเข้าออกหมดไปเรียกว่าตาย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 ถ้าผู้เ้าองค์่นต่างกับคนตายคนตายเอาสมาโทมาจินูประชังคนประมาทคือคนตายไม่เป็นอะไรเลยเดินไปกระจายอย่างนั้นเดินกระจายไปกระายฟังอยู่ไปเอาปฏิบัติคือคนตายฟังทำไม่ใช่คนเป็นฟังแตนี้ก็ไม่เป็ละเข้าที่ควรได้แต่เป็นคนตายเป็นครูตายไม่ใช่ครูเป็นอมันเป็นอย่างนี้คนตายอย่างนี้ให้ฟักันเห็นนะไม่ใช่บางลมหายใจไม่มีแล้วมันตาย ถ้าเราคิดแบบนี้มันก็ดีทุกคนนะั่นแหละแต่แตมันไม่ดีละ่ะ ม, มันจะดีได้ทุกคนถนะ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่หนักใจธรรมะแล้วหนักใจทางอืน่นหนักนจทางอืน่น อ, อย่างเราก็ไม่เคยแก่การเส้นหนุ่มเรื่อยไม่ดูจากคนแก่ไม่ดูจากคนหนมมุ่ม <c oughs> ก็เขาเห็นว่าคนห้อง อ, อกก๋กจะเป็นคนแก่นั่นแหละเป็นเด็กไม่ดูเรื่องอะไรเรืนองนั้นเป็นเด็กคนไม่ดูเรื่องอะไรเด็กกันนั่นแหะ คนอา ย, อยุเขา20ปีเขารู้จักธรรมะธรรมอดูจักความสงบประัทนั่นแหละคนเขาแก่เขาใหญ่เขาโตแล้วหัวหงอกเขายังกินเหล้าอยู่ในเด็ก <c oughs> เด็กอมมือถึงนั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นนะเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรเในเด็กเด็กๆไม่โตนั่นอายวทนชนเนี่ยชินเด็กแล้วเข้าใจอย่างนี้รู้ <c oughs> <c oughs> จักคนแก่ดูจักคนใหญ่ดูจากคนตายดูจากคนไม่ตายแล้วต้องรู้จัก ถ้าเราภากันนับกจะทำม้ามันก็ต้องรู้จักทั้งหลายเหล่านี้แค่นั้นนะถ้าไม่รู้จับทำม้าไม่รู้จับตรงนี้ไม่รู้จักว่าเราเป็นเด็กเราเป็นแก่ผู้ใหญ่เป็นไงเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่มียกเหกียบมียกหรืออ้วนอ้วนตั ว, วใหญ่ๆขณะที่เราใหญ่ออันนั้นมันใหญ่ของของ อ, อาหารเนี่ยมันในเนื้อเป็นอาหารมันในข้าวในปลาเป็นอาหารมัน มันร่างกายใหญ่ๆคนนั่นนะ่ะมันมีราคาใหญ่หมูนะ่ะมีราคาคนในคนนี้แล้วจะเป็นโรคอกเสบโรคจับโรคใจวุ่นวายตรงนั้นเนะี่ยอันนั่นใหญ่นั่นหมูเขาสั่นเสือกันใหญ่ของคนนี้ต้องมีใจใหญ่ใจสูงจะต้องมีการให้อภัยกันที่ต้องมีการให้อุปบอมารีกันต้องหนักนในธรรมะมีเดียวกับผู้ใหญ่เรีกว่าผู้ใหญ่หญไม่ธรรมะ เมื่เช่นเช่นนั้นวันหนึ่งครูนํานักเรียนมาอบรมว่านักเรียนนี่มันสอนยากครูโรงเรียนเด่นเลยนี่แหละแต่ต่อมาตัวด่าเด็กๆคนนะี้เนี่ยมันสอนยากเขาก็นั่งฟังเวลาจบแล้วพวกเด็กๆนักเรียนเนะี่ยเดินถามว่าพวกครูเราเป็นไงกันนะ่นนนะจำมาทีนี้ไหยนม่เป็นอะไรแต่ไม่ไม่พูดกันอ่นนะอาจจะมาเลยพูดกันว่า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 คอนนอกไม่ทำมะอย่าไปแย่งแย่งสิ่งกันในการนั้นนี้ก็้าเว่าครูเป็นเช่นี้ไม่ควรให้อภัยแต่เพราะเป็นครูเด็กๆมันดื้อเนี่ยแคนรให้อภัยมั น, นมันเป็นลูกผิดเราไม่เป็นเด็กอพ่อแม่ดื้อเนี่ะไม่ควรให้อภัยลูกมันดื้อคนให้อภัยมันเป็นลูกเรานะอืมก็เด็กๆนั้นมันจะเป็นพ่อแม่คนจะเป็นครูคนมันจะมาจากไหนล่ะเราเป็นครูคนก็ต้องเป็นครูคนครูคาราวูครูผู้สอน ก็ต้องทำ อ, อย่างนี้นะี่พอาชาปุรมะมันเสียงนี้นะมันตรงไปเลยอย่างนั้นนะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครละธรรมะมันเสียงนี้มีแต่ น, นั่นก็ไอ้คณะครคูทั้งหลายทั้งครูผู้หญิงผู้ชายที่มานี้ในวันนี้มาอบรมธรรมะอาจารมากรพูดธรรมะอบรมให้นะคิดถูกอะไรไปติจารณานะ ม, มันตรงไปตรงมามันถูกหน้าตาสิตาสาไม่รู้เรื่องนะถนนเนี่ยทำให้มันตรง แต่สุขสอนกศิษย์กาไม่เรื่องมุขสมควรไปอย่างเนี้ยอย่างนัอนก็คื่อว่าตรงไม่ได้อย่างนั้นก็คือว่าธรร ม, มะไม่ได้อย่างนั้นก็เอาอยัางไงกันไม่มีมีมาตรฐานจะทาําไงกันนอกจากจะทำอย่างนี้ให้เป็นคนดีแล้วอย่างอื่นไม่มีจะไปตามใจคนทุกคนไม่มีแล้วอืมไม่มีสวัสดิโ์โสกกาตาสมธรรพผูู้นีทักษะดีแล้วมันมีอย่างเนี้ยดีในตามไปตามกิเิตของใครทั้งนั้นนลยดีตรงไปตรงมาตรงไปเรื่อยไป มันม้นดียังนี้ถึงอยู่เลยไม่กลับธรรมะอีไนของพระพุทธเจ้าไม่แก้ไม่บรรญัติอีกไม่ได้ถอนอีกแต่ไม่ได้เหมือนกฎหมายชาวโลกเรากฎหมายเราชาวโลกเรามาจนยุ่งนี้เอาถอนมันออกไปอีกไปถึงนี่ถอนนี่เดียววะไอ้คนที่ไม่แน่นอนจิตใจพระพุทธเจ้าถอนไมบรรยัติไม่ไ ด, ด, ไได้อะไรก็ช่งมันเรียกว่าท้องายตัวแล้วฉะนั้นธรรมะมีกินตรงไปตรงมาถ้าหากว่าฟังถ้าหากว่าใครฟังเข้าใจแล้ว มีประโยชน์มากทีเดียวเด็กจะมีประโยชน์จะให้ประโยชน์แก่ตัวเราจริงๆนี่จะนั่นหาอะไรมันผิดพาพที่ไม่สบายที่อา จ, จะมาพูดไปนี่มันมันมันพูดไปเหมือนหอกมันแทงคนเลยปะ น, นี่ขวางทางไม่ได้ธรรมะเป็นงนั้นแต่พูดไปงั้นอ่ามันผิดถูกอะไรอะไรก็ให้คภยัยผนี่ะนั่นวันนี้การเวลาก็เห็นจะเหมาะสมอี่จะนั่นการบรรยายธรรมะมาในวันนี้ ขต็ตงควรเจียเวลาในเวลาที่สุดผลที่สุดนี้ข อ, อขอแทนทั้งหลายด้วยอำ น, นาจแห่งคุณาฏิปันธน์ไรศรพุทธประมพระสงฆ์จงปกครองกล่องกามพรท่านทั้งหลายที่ทั้งใจมาตุรงในวันนี้ด้วยอำ น, นาจแห่งการประพฤทธแห่งการปฏิบัติธรรมะโดยกายวาจาใจของคณะครูทั้งหลายวันนี้จงให้มีเกิดผล โดยธรรมโดยสมาปฏิบัตินี้ให้ยืเยน็นเป้นสุดทุกทุกคนเต็